ท่านฟังค่ะรายการสรนสนีสนทนานะคะเราติดต่อสื่อสารถึงกันได้ดิฉันเองก็อยากทราบว่าท่านฟังนั้นมีข้อสงสัยอะไรทั้งสงสัยตรงๆงในทางเรื่องของพระธรรมคําสั่งสอนหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ในการดําเนินชีวิตประจําวันในแต่ละขั้นละตอนของเราเนี่ยจะดําเนินไปอย่างมีพุทธธรรมได้อย่างไรส่งคําถามของท่านมานะคะที่หมายเลขโท ร, รศัพท์ 02-269-0006 หรือจะส่งทางแฟกซ์เป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีนะคะที่ฉันจะได้เก็บไว้อ่านครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ท่านเจตนา 262-3010 และถ้าเป็นเบอร์ SMS 483-8106 ส่วนท่านที่ชอบเทคโนโลยี w o r l e d w i d e p u e i t h a m a c o m p u r e d h a m m a เ, เพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยธรรมะ d h a m m a เขียนติดต่อกันไปเลย com slash ค, ค่ะรายการนี้ที่ฉันอยากจะฝากพุทธวจนะให้ท่านใคร่ครวญเอาไว้เป็นบทสั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าชีวิตนี้ความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความชารา มีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ในชีวิตมันก็มีอยู่กับเรานะคะแต่เราไม่ค่อยได้นึกถึงพอฟังคำของพระพุทธองค์แล้วดิฉันเชื่อนะคะว่าเราจะถึงแก่การที่เออจริงนะททำไมเราไม่เคยคิดเลยว่าความชรามีอยู่ในความหนุ่มจนมันมาถึงแล้วเราถึงจะมีความรู้สึกว่าเออมันชักจะแก่แล้วหรือไงเนี่ยความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตาย มีอยู่ในชีวิตถ้าท่านใกล้ครัวแล้วเห็นความจริงเช่นนี้แล้วก็อย่ารีรอนะคะเศรษธรรมะเข้าไปปฏิบัติตามธรรมเข้าไปท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งความชราความเจ็บและก็ความตายวันนี้เราก็ลากันไปสำหรับรายการนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรามีคุณนิทิวดีตันทิกุลเป็นผู้ควบคุมเสียงติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยนะคะสวัสดีคะ่ะ